สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสี่สิบแแล้วนะครับเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่ยี่สิบสามครับพี่น้องครับเราอยู่ในคำวิงวอนที่สามก็คือขอให้เป็นไปตามพระไถ่ของพระองค์หลายหลาคนอาจจะสงสัยว่าโอ้ทาไมการอธิษฐานของพระเยซูนั้นช่างลึกซึ้งและกว้างไกลขนาดนี้จริงๆแล้วนะครับ การอธิษฐานของพระเยซูนั้นมีความลึกซึ้งและกว้างไกลมากเมื่อเรายิ่งเข้าใจเรายิ่งมหาสารใจแปลกใจและเราจะยิ่งต้องอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูครับในวันนี้นะครับเป็นวันที่พูดจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรียกว่าลึกที่สุดนะครับปัญหาหนึ่งของาศาสนาเลยก็คือว่าเริ่มต้นจากคำถามที่ว่า พระเจ้านั้นเป็นต้นกำเนิดของความบาปหรือคตาตอบก็คือว่าไม่ใช่ครับพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของความบาปความบาปนั้นไม่ได้เป็นน้ำมัทไยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเป็นเป็นต้นกำเนิดของความบาปเพราะว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอให้เป็นไ ป, นปนตามมัทัยของพระองค์เถิดซึ่งขัดแย้งกันนะครับเราอธิษฐานไม่ได้ถ้าเราเชื่ออย่างนี้ เพราะว่าพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของความบาปดังนั้นพระองค์จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในมัทธิวบทที่สิบข้อยี่สิบแปดบอกว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่ให้ทั้งจิตวิญญาณและกายที่น่าไปในนรกได้พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจสูงสุดที่จะให้จิตวิญญาณและ ร่างกายของเราพิชิตนาศในนรกได้นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทรงทําลายจิตวิญญาณและร่างกายในนรกได้ข้อพังพีนี้ไม่ได้หมายถึงซาตานครับเพราะมันเองนั้นก็จะเป็นผู้นที่ถูกทําลายในที่สุดนี่คือพระคำพีข้อแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พระคัมภีร์ข้อที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเปโตครับสองเปโตบทที่สามข้อที่เก้า กล่าวว่าพระเจ้าไม่ปรานาจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องพิรุณาไปความบริสุทธิ์ความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระเจ้าต้องกะเตรียมไว้จัดการากับความผิดบาปครับความตายนั้นไม่ใช่เป็นนามาไทของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับความบาปก็ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าพระเยซูทรงค้ำควรวนนะครับถึงเยรูซาเล็มเป็นข้อพิมพ์อีกตอนหนึ่งครับเป็นตอนที่สามในวันนี้พระเยซูค้ำควรวนถึงเยรูซาเล็มว่าโอ้ เยรูซาเล็มเยรูซาเล็มที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยพระนะเล่าหินขว้างผู้ที่รับใช้มาหาเจ้าถึงตายเราใครจะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองเนืองเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอพี่น้องครับพระกัมพีทั้งสามตอนนี้ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อผลของความบาปที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาครับมนุษย์นั้นจะต้องรับผิดชอบมารตาสานั้นจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองพระเจ้าไม่ได้เป็นต้นกําเนิดของความบาปครับเรามาดูครับว่าเพิ่มทีพื้นฐานเกี่ยวกับความรอดความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่ออะไรครับเพื่อที่มนุษย์จะได้รอดพ้นจากการพิพากษา พระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้เพื่ออะไรครับยอมถูกตึงแม่ง เ, เข็นเพื่ออะไรครับเพื่อมนุษย์จะได้รับความรอดมีชีวิตนิรันดร์คำถามต่อไปก็คือว่าทำไมพระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้เกิดความบาปทั้งที่พระองค์ไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของความบาปนักจักรนราศาสตร์นั้นถกเถียงมาเป็นเวลายาวนานมากครับรูซิเฟอร์ซึ่งเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของมารซาตานนะครับตกอยู่ในความบาปมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ลูทีเฟอร์นั้นมีความเยื่อหยิงมาจากภายในจิตใจของมันได้หรือครับคําตอบก็คือเปล่าเลยเพราะมันดีครบถ้วนมันเป็นที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานะครับมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานะครับและความบาปมาจากไหนล่ะครับไม่มีใครตอบได้ครับมาจากภายอกหรือเปล่าถ้าไม่ได้มาจากภายในก็ต้องมาจากภายนอกก็คงจะไม่ใช่อีกเพราะว่าสิ่งแวดล้อมก็ดูสมบูรณ์ดีแล้วมาจากไหนล่ะครับไม่มีใครทราบ มีพระเจ้าองค์เดียวส่งชาติอันนั้นเป็น problem of sin นะครับเป็นปัญหาของความบาปที่เกิดจากการกบฏนะครับการกบฏลูซิเฟอร์ได้ทำความผิดบาปไปแล้วพระเจ้าส่งชาติครับพระเจ้ามีทางเลือกอยู่สองทางก็คือทำลายลูซิเฟอร์ทันทีครับหรืออ น, นุญาตให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นต่อไปอีกระยะหนึ่งจนครบถ้วนผมเชื่อว่าพระเจ้า ทรงเลือกประการหลังครับแล้วเราเห็นชัดเจนครับพระเจ้าได้ทรงเลือกประการหลังพรงเปิดโอกาสให้มีการขบถอื่นๆซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาละลอกแเวและลอกเราพรงปล่อยให้ความชั่วร้ายดําเนินต่อไปจนในที่สุดนั้นมันจะต้องถูกทําลายและตายไปชั่วนิรันด์โดยไม่มีโอกาสเป็นขึ้นมาอีกพี่น้องครับคําว่าชั่วนิรันด์นี้หมายถึงชั่วกะลาปรวสารนะครับชั่วกะลปรวารสาร พระเจ้าปล่อยให้มันดําเนินการของมันต่อไปทําการลักขโมยฆ่าชีวิตให้ตายทําลายจิตวิ ญ, ญญาณของมนุษย์ต่อไปพระเจ้าทรงปล่อยให้มันรวบรวมบรรดาสมุนที่ต้องการอยู่ฝ่ายมันพระเจ้าทรงปล่อยให้มันรวบรวมจิตใจของบรรดาผู้ที่ฝักใฝ่ในมันขณะเดียวกันครับพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมหนทางที่จะหลีกเลี่ยมันได้ไว้สําหรับทุกคนครับที่ต้องการอยู่ฝ่ายพระองค์ พระเจ้าอ น, นุญากให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้นดำเนินต่อไปครบั่วแต่พระองค์ก็รักษาความเชื่อของผู้คนที่เป็นลูกของพระองค์ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระองค์เพราะพระองค์ทอดพระเนตรเห็นภาพรวมแห่งนิรันที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มารซาการ์นั้นไม่อากเข้าใจได้และเราเองนั้นก็ไม่อาเข้าใจได้เช่นเดียวกันครับในระหว่างช่วงเวลาที่ความชั่วร้ายำดา เ, เนินไปตามวิถีทางของมันนั้นอยา่า เราต้องคิดว่าอย่านะครับหรือเราอยากคิดว่านะครับเราอยากคิดว่าความชั่วร้ายเหล่านี้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องคิดว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่มีวันหนึ่งครับสิ่งเหล่านั้นจะจบลงถามว่าสิ่งเหล่นั้นจบลงเพราะอะไรครับพระเจ้าไม่ได้เปิดโอกาสที่สองให้มารซาตานนะครับแต่พระเจ้าเปิดโอกาสที่สองให้กับมนุษย์ที่ฝักไฝอยู่กับมันต่างหากนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาดูครับว่ามันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าก็ตรงที่ว่ามันจะต้องถูกทำลายให้สิ้นไปแต่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือว่าใครก็ตามที่อยู่ฝ่ายมันนั้นพระเจ้าให้โอกาสนะครับให้โอกาสที่สองเพราะพระเจ้าเป mm ็นพระเจ้าแห่งโอกาสที mm ่สองนะครับเพราะฉะนั้นเราจริงต้องเปิดใจยอมรับน้ำมัยของพระเจ้าว่าพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราเสมอครับนี่เป็นน้ำมัยของพระเจ้า พระเจ้าเปิดโอกาสให้คนที่อยู่ฝ่ายมารซาตานั้นได้มีโอกาสกลับใจใหม่เสมอเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อาจจะเล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากมารซาตานั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้ า, เานะครับเอาละครับเราจะมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามีบางคนที่อธิษฐานว่าขอให้เป็นไปนตามน้ำพระทัยของพระองค์โดยถือเป็นการปฏิบัติตามพิธีการหรือหลักศาสนาเท่านั้น เพราะว่าคนเหล่านี้นั่นถือหลักว่าพระเจ้าทรงกระทําในสิ่งที่พระองค์จะทรงกระทําแน่นอนพระเจ้าต้องการทําอะไรตามน้ําันไทยของพระองค์ตามแผนการของพระองค์พราะพรองค์เจ้าจะทรงกระทําแน่นอนเพราะว่ารองค์เป็นคนเดินมาพรองค์เป็นผู้ดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็จบลงเพราะฉะนั้นการอิจฉาของคนเหล่านี้นะครับไม่ค่อยมีการอ้อนวอนเท่าไหร่ครับนะครับไม่ค่อยมีความตั้งใจจริงเท่าไหร่ครับไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่อิจฉาตาม เป็นเพียงแต่ขอให้เป็นพิธีหรือขอให้มันผันผ่านไปเท่านั้นเองแต่พี่น้องครับรกษัตริย์ดาวิดนะครับมีจิตใจที่หิวกระหายยาจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะท่านอ้อนวอนอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าแม้ข้าพงษ์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆเห็นไหมครับการที่เราบอกว่าขอให้เป็นไปตามพร ะ, พระทัยของพระองค์นั้นอย่ากล่าวลอยๆนะครับเพื่อเป็นพิธี หรือเก่าวลอยตามหลักศาสนาสในลูกาพระเยซูทรงสอนนะครับในลูกาบทที่สิบแปดพระเยซูทรงพยายามสอนที่ว่ามนุษย์เรานั้นควรจะอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอไม่อ่อนร่าใจและการอธิษฐานนั้นนะครับต้องตั้งใจจริงมีชีวิตชีวาครับและที่สําคัญที่สุดคือว่าชีวิตของคนอธิษฐานนั้นสอดคล้องกับคําอธิษฐานของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับเราทั้งหลายทุกท่า น, นครับว่า คำอธิฐานของเรานั้นต้องสอดคล้องกับชีวิตของเราและเกิดจากความตั้งใจจริงๆของเรานะครับจึงเรียกว่าสมศักดิ์ศรีของการอธิษฐานอย่าหยุดอธิษฐานครับอย่าอ่อนระอาใจหรืออย่าหมดกําลังใจหรือฝึกเฉยๆนะครับพระเยซูทรงเล่าคํำ อ, อุมาว่าในนครหนึ่งนั้นมีผู้พิพากษาคนหนึ่งที่ไม่ได้เกรงกลัวพระเจ้าไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้เกรงใจ ม, มนุษย์ แต่มีหญิงไม้คนหนึ่งครับมาที่ฐานขอให้ความยุติธรรมแก่หญิงไม้คนนั้นนะครับในการต่อสู้ความมีบางคนทําผิดตอนหญิงไม้คนนี้ครับด้านนางต้องการให้ผู้พากษาให้ความยุติธรรมแก่นางผู้พากษานั้นไม่ยอมทํานะครับจนในที่สุดเขาคิดนึกได้ว่าแม้ว่าเราไม่ยําเกลีพระเจ้าแต่เพราะแม่บ้านคนนี้มากวนใจเราให้ลําบากเอาละ่ะเราก็จะให้ความยุติธรรมแก่นาง เพราะอะไรครับตัดความรำคาญไม่อยากให้นางมารบกวนบ่อยๆเพียงครับผู้ภากษาคนนี้เขาลำบากใจเมื่อนางรบเราเขาก็ทําในสิ่งที่นางขอใช่ไหมครับเพียงเพื่อที่ว่าตัดความรำคาญกําจัดนางออกไปนะครับถ้าผู้ภากษาทําคนนี้ยังสามารถให้ความยุติธรรมแก่นางได้พระเจ้าองค์พระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความรักและความชอบธรรมได้ทรงจงห่วงใยทั้งหลาจะทรงประทาน ให้แก่บรรดาลูกลูกของพวงก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดหนอเห็นไหมครับว่าพระเยซูพระเจ้าของเรานั้นเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดเลยครับว่าไม่ไม่การเปรียบเทียบแบบว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาในเรื่องการอธิษฐานนี้พระเจ้านั้นเป็นที่บิดาครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะนํามาเปรียบเทียบว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาได้จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหญิงไหมและผู้ที่อธิษฐานก็คือพวกเรา นะครับญิงไม่ปฏิเสธไม่ยอมรับสถานการณ์ที่ไม่อยู่ในธรรมต่อนางและนางก็เพียรพยายามอย่างไม่ลดละวินนองครับนี่เป็นข eh. uh, ่าวดีสำหรับเรานะครับในเรื่องของการทิฏฐานเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับสรรพสิ่งตามที่มันเป็นอันเกิดจากความบาปเรามีสิทธิ์ที่จะทิฏฐานทูลขอต่อพระบิดาได้ด้วยความเพียรพยายามครับเพราะว่าพระเจ้าจะทรงกระทําสิ่งเหล่านั้น นะครับให้กลับเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นตามน้ำมันไทยของพระเจา้าตัางหากนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราอธิษฐานด้วยท่าทีเหล่านี้นั่นเป็นการแสดงออกถึงการเป็นปฏิปักษ์ต่อโลกครับเรากําลังปฏิเสธว่าเราไม่ใช่อของโลกนี้เรากําลังเป็นปฏิปักษ์ต่อมารชาตานและเราเป็นปฏิปักษ์ต่อความบาปเป็นการแสดงออกนะครับถึงการเป็นปฏิปักษ์นะครับ ต่อการยอมรับในสิ่งที่ผิดปกติว่าเป็นสิ่งปกตินะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับเมื่อให้ศานขอให้แผ่นดินของพระองคมาตั้งอยู่หรือขอให้เป็นไปตามน้ำมันไทยของทระงก็เป็นการแสดงออกนะครับถึงการเป็นปริปักต่อผู้แย่งชิงนะครับต่อรับเบียบแบบแผนต่อการตรีความหมายต่อการกระทําต่อถ้อยคําต่อกระบวนการต่างๆที่ขัดกับน้ำมันไทยของประเทศทุกอย่างพี่น้องครับเรา แต่ไม่เป็นคนที่อธิษฐานแบบจำยอมหรือจำใจนะครับเหลืออธิษฐานแบบพูดพูดไปอย่างนั้นนะครับเรืออธิษฐานด้วยความขุ่นเคืองใจขมขื่นอนธิษฐานแบบกัดฟันนะครับแต่เราจะอธิษฐานด้วยท่าทีที่ยอมรับครับว่าให้ทุกสิ่งเป็นเป็นทาปไทยของพระเจ้านะครับขอให้เป็นเป็นทาปไทยของพระองค์ในสวนเป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับ <c oughs> พระเยซูทรงตกอยู่ในภาวะแห่งการอาาิจฉาแห่งการต่อต้านความผิดบาปของโลกนี้นะครับใบบรนดาสาวกของพระองค์นั้นได้หลับไหลที่ไหนครับที่สวนเกสต์บันีผมอยากจะจบวันนี้ว่าชีวิตแห่งการอิจฉ า, าของเรานั้นมีชีวิตชีวาหรือเปล่าครับชีวิตแห่งการอิจฉ า, าของเรานั้นเป็นแบบเหมือนกับสังกระตายหรือเปล่าครับไม่มีการอ้อนวอนจริงๆไม่มีความตั้งใจจริงไม่มีชีวิตชีวา ชิตจริงๆของเราไม่สอดคล้องกับคําอธิษฐานครับพี่น้องถ้าว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นเวลาที่ดีที่เราจะกุกเข่าลงและสารภาพว่าขอพระเจ้ายกโทษขอพระเจ้ายกโทษและช่วยให้ข้าพเจ้าอธิษฐานให้เป็นไปนตามพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงนะครับขอพระเจ้าช่วยทั้งคุณและผมให้ตอบสนองอย่างถูกต้องเมื่อเราอธิษฐานว่า ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์อามี